วันนี้เป็นวันครูคำว่าบรมครูคือพระพุทธเจ้าที่เป็นบรมครูเป็นผู้สั่งสอนโลกแต่ว่าไม่ได้สุดอยู่เพียงพระพุทธเจ้าองค์เดียวในประวัติของท่านบอกว่ามีมากมายแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่ก็องค์หนึ่งในหลายๆองค์นั้นคือมาตรสรู้เป็นยุคเป็นสมัย จากนั้นในยุคนี้ก็ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นครูสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้พวกเราทุกท่านในประเทศไทยของเราก็ยกว่าเป็นวันครูเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งและก็พร้อมกันวันนี้ท่านสสสอวอก็มานั่งอยู่ที่นี่และก็ท่านายอำเภอที่เป็น ร่มโพร่มไสของอำเภอนายูงก็ได้มาร่วมเป็นประธานงานวันนี้พร้อมกันก็ครูบาอาจารย์ขออทั้งหมดปีอยู่250กว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ทุกระดับของเขตอำเภอนายูงหลวงพ่อวามากขอสมควรสำหรับเขตอำเภอนายูงขนาดอำเภอเล็ก อำเภอสุดท้ายปลายแดนของจังหวัดอุดรยังมีครูบาอาจารย์มากถึงขนาดนี้ถ้าเป็นอำเภอน้ำโสมบ้านถืออำเภอที่มีความเจริญเป็นอำเภอใหญ่กว่าพวกเราครูบาอาจารย์ก็คงจะมากวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราคณะครูบาอาจารย์ได้มาร่วมกันจัดพิธี ในโรงเรียนดวงทองพิทยาคมแห่งนี้เพื่อจะรับฟังสัมโมนิยกถาหลวงพ่อจะได้กล่าวเตือนพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์คำว่าครูภาษาบาลีถว่าครุครุไปวัาหนักเป็นครุเรีย ว, ว่าครุเดี๋ลวไปวัดหนักครุมาจากครูครูบาอาจารย์คำว่าครู เป็นผู้เป็นครูนแะปลว่าผู้หนักแน่นจะว่ากล่าวสั่งสอนลูกศิษย์ก็ให้เป็นผู้หนักแน่นเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจสอนด้วยความจริงจังและจริงใจเพื่อจะให้สิทธิ์ของพวกเราได้รับความรู้ความฉลาดจากครูบาอาจารย์คาว่าอาจารย์แปลว่าเป็นตัวอย่างของลูกหลานของคณะศิษย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยเขาเรียกว่าท่านอาจารย์อย่างเนี้ยหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์หลวงพ่อก็เป็นอาจารย์ของ คณะสิทธิ์ภายในวัดเป็นอาจารย์ของฝ่ายญาติโยมพุทธบริษัทเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเมื่อเป็นอาจารย์และก็ต้องทําตนให้เป็นคนดีทั้งกายทั้งวาจาและทางใจทางใจก็คิดไปในทางที่ดีการพูดก็พูดแนะนําไปในทางที่ดีการกระทำก็พยายามทําให้ดีเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้กล่าวทั้งหมดที่ว่าครูบาอาจารย์สอนนักเรียน นักเรียนอนุบาลประถมมัธยมก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีอย่าให้ลูกศิษย์ลูกหาตำหนิติเตียนได้ตั้งตนให้พร้อมก่อนที่จะมาทำงานจุดนี้เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าครูบาอาจารย์ก่อนที่จะก้าวมาจุดนี้ก็เป็นผู้พร้อมหมดทุกอย่างที่จะต้องทำตนให้เป็นคนดีถึงจะ มีนิสัยกิริยามาลายาตการพูดจาพาทีอะไรก็ตามถ้าหากว่าเราในตัวของเราวิเคราะดูแล้วว่าการคิดการพูดการกระทานั้นไปในทางที่ไม่ถูกต้องพวกเราก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขตัวของเราเองถ้าหากว่าพวกเราอยากจะให้คนอื่นว่ากก่าก็เป็นที่ไม่พอใจพวกเราควรจะศึกษาให้รู้เรียกว่าครูบาอาจารย์ เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดและก็พร้อมกันก็ให้มีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตในใจด้วยศีลธรรมและจริยธรรมนั้นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวหรือว่าได้ให้ศีลเบื้องต้นนี่แหละศีลห้าของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นกระจกเงาหรือว่าเป็น เครื่องวัดของคนดีวัดความดีของพวกเราก็คือศีลห้าอย่างพวกหลวงพ่อได้ให้เบื้องต้นศีลห้านั้นหลวงพ่อไปณัดสถานที่ใดหลวงพ่อจะพูดเรื่องศีลห้าเพื่อย้ำอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะจําได้เมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อก็คงจะได้พูดเรื่องศีลแต่ปีนี้ก็จะขอย้ำอีกเพื่อว่า แต่ขนาดเราสวดทุกวันว่ากล่าวทุกวันก็ยังมีการหลงลืมเพราะนั้นปีหนึ่งนะหลวงพ่อวานนาจะได้ศึกษาเรื่องศีลห้ามีอะไรบ้างแต่ตามไม่จริงรู้ทั้งรู้ก็ไม่อยากจะรู้เพราะว่าศีลห้านะถ้าจะว่าไปแล้วมันเป็นของขมไม่อยากจะรับทานถ้าเป็นยาก็ยาขม เพราะฉะนั้นไม่อยากจะกินยาขมแต่ว่ายาขมเมื่อกินเข้าไปแล้วทานเข้าไปแล้วมันเป็นยาแก้โรคภัยไข้เจ็บจเจ็นสบายมีความสุขร่างกายหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าหาว่ากินของหวานเข้าไปมันเสริมเข้าไปเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ว่ากินยาขมเนี่ยไม่อยากจะกินแต่กินเข้าไปแล้วทานเข้าไปแล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยก็ลักษณะอย่างนั้นเป็นศีลที่พวกเราไม่พึงปรารถนาและไม่ต้องการแต่ว่าเมื่อเรารักษากลุ่มชุมชนของพวกเรารักษาแล้วความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นมาในชุมชนและสังคมประเทศชาตินั้ น, น, นอย่างศีลห้าทุกวันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วถ้าหากว่าเรื่องว่าศีลนี่ยอย่างลุงพ่อกล่าวอย่าเนี่ย ศีลห้าอย่างนี้บางคนบางท่านก็หัวเราะเยาะว่าศีลถึงจับัญญยัดขึ้นมาพระสงฆ์มาทีไลก็ให้ศีลทุกทีก็ไม่เห็นใครรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้แต่พระสงฆ์ก็ขยันเหลือเกินมาทีไลก็ให้ศีลโกหกกันไปโกหกกันมาทั้งที่มีข้อที่สีว่ามุสาวาทาเว ร, รมณีห้ามมาให้โกหก แต่ถ้าพอรักษาศีลจะว่ารักษาศีลห้าพอไม่ถึงไหนก็ศีลก็ขาดแล้วถ้าจะไม่ว่าโกหกจะว่าอะไรอันนี้ก็คือเป็นความคิดของคนทั่ ว, วไปหรือว่าหลายหลายคนแต่ตามไม่จริงศีลห้าของพระพุทธเจ้านั้นมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ถ้าเรามองให้ไกลถ้าหาว่ามองใกล้สายตาสั้นแล้วจะมองไม่เห็นคุณค่าของศีลห้า ถ้ามองให้ไกลแล้วศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้าหากว่าหลวงพ่อถามชุมชนและสังคมสื่อต่างๆโดยมากจะมองคนที่ว่าผู้มีศีลเนี่ยเป็นคนคืบคนล้าสมัยเป็นคนไม่ทันสมัย ท่าว่าผู้นี้มีศีลห้าโยมคนนี้ละมีศีลห้าท่านผูนี้ละมีศีลห้าต่างคนก็ต่างคิดในใจหัวเราะเยาะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นทุกวันนี้หัวระยาะศีลธรรมเพราะฉนั้นการหัวระยะะาะศีลธรรมนั้นอีกสักวันหนึ่งคนไม่มีศีลจะมาทําร้ายเราเราจะร้องไห้เพราะคนไม่มีศีลมากบ้านเมืองเจริดร้อนวุ่นวายเพราะคนไม่มีศีลเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ย ถ้าจะว่าไปแล้วถ้าว่าเราบอกว่าคนที่หัวรอยะคนที่เยอะหยัดอย่างหลวงพ่อจะถามเพราหลวงพ่อเป็นผู้มีสินหลวงพ่อจะถามว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ชอบศีลธรรมใช่ไหมถ้าหาว่าพวกเรา เ, เป็นนักเลงพอ่อพวกท่านก็จะตอบว่าใช่ข้าไปเจ้าไม่ชอบในเมื่อไม่ชอบศีลธรรมคน ไม่มีศีลธรรมนั้นค่าสัตว์ค่าคู่ค่าคนค่าพ่อค่าแม่ค่าลูกค่าเมียของเราเป็นไปได้ไหมอันนี้พวกเราก็รับประกันไม่ได้คนไม่มีศีลธรรมมันต้องทำอย่างนั้นได้คนถ้ามีไม่มีศรรมีลจะขโมยของคนอื่นได้ไหมอันนี้พวกเราก็จองใช่คนไม่มีศีลก็ต้องขโมยได้คนไม่มีศรรมีล จะบังคับข่มขืนลูกหลานของพวกเราได้ไหมอันนี้ก็ได้เพราะคนไม่มีศินคนไม่มีศินโกหกหลอกลวงต้มตุนคนอื่นได้ไหมอันนี้ก็ได้เพราะคนไม่มีศินคนไม่มีศินดื่มสุราเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วสามารถที่จะทำความชั่วได้หลายหลาอย่างตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่ เพราะคนขาดจจติทำได้ทุกอย่างใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธเพราะทุกวันนี้ที่พวกเราเสียเงินเสียทองวันปีใหม่ก็ดีวันสงกรานก็ดีปีหนึ่งเราจ้างตำรวจหรือว่าใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการดูแลความสงบตรวจตราคนดื่มสุราปีหนึ่งหมดไปกี่ล้านแล้วก็ทรัพยากรของมนุษย์ที่กินเหล้าเข้าไปแล้วดื่มสุราเข้าไปแล้ว ล้มหายตายจากในวันนั้นไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉนั้นท่าจะว่าไปแล้วสินของพระพุทธเจ้าถ้าเรามองไกลมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์แต่ถ้าว่าเรามองใกล้ๆมองเห็นแก่ตัวเท่านี้อันนี้แปลว่าไรสินข้าไม่มีคุณค่าเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้มองไกลมองควบคุมประเทศชาติบ้านเมืองมองกลุ่มทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกคณะ ถ้าว่าพวกเรามีศีลธรรมแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของพวกเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นพวกเราทุกวันนี้ที่มันวุ่นวายขึ้นมาทุกวันนี้ก็เพราะคนในชาติขาดศีลธรรมถ้าถ้าว่าคนในชาติมีคุณธรมมธรมมีศีลธรรมหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินจะไม่เกิดอย่างนี้เพราะว่าพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย พื้นแผ่นดินไทยให้ความอบอุ่นให้ความเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาขาญาติของพวกเราไม่รู้กี่ชั่วคนพวกเราได้เลี้ยงเรามาอยู่ตลอดพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้เพราะนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาในยุคนี้สมัยนี้เราควรจะทดแทนพื้นแผ่นดินไทยอย่างไรขอให้พวกเราทุกทุกท่านอยู่ในสถาบันไหนก็ให้เคารพรักสถาบันของตัวเอง อย่าไปทรยศ์ต่อสถาบันของตนเองให้เกียรติให้ความยกย่องต่อสถาบันของตนเองอย่างพวกเราที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ให้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานให้ซื่อสัตย์ต่อสถาบันของพวกเราพวกเรามีหน้าที่อะไรที่ทำครูบาอาจารย์ ทางหน่วยเหนือเขาประชุมกันตกลงกันหรือมีกฎระเบียบอะไรที่ให้พวกเราทำการทำงานก็ให้ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกคนถ้าว่าทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วพยายามทำให้ก้าวหน้าแล้วประเทศชาติก้าวหน้าเมื่อประเทศชาติก้าวหน้าพวกเราเองก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขเงินเดือนก็จะขึ้นมาเองแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ จงใจและไม่ตั้งใจไม่สนับสนุนไม่ให้ความสำคัญในการเป็นอยู่ของพวกเราทำงานกระทำเป็นพอเสียไม่ได้ทำแบบหลบห ล, ลีกเลีล่ย ง, ยงไม่ตั้งใจทำให้จริงแล้วความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นมาในชาติบ้านเมืองได้อย่างไรอันนี้ก็ขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านเพราะว่าก่อนที่ประเทศชาติบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ หลวงพ่อมองไปเห็นทางอื่นนอกจากครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ที่นี่แหละที่จะแนะนำสั่งสอนลูกหลานลกูกศิษย์ทุกระดับให้เป็นเด็กดีเมื่อเป็นเด็กดีแล้วต่อไปเด็กเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองแต่ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ไม่ให้ความสนใจหรือไม่ได้สอนเด็กเอ่เท่าที่ตาแหน่งหน้าที่ของเรามีอยู่แล้วปล่อยให้เด็ก เสียหายตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ขาดความรับผิดชอบเมื่อขาดความรับผิดชอบแล้วเสียหายไปด้วยก็คือชาติบ้านเมืองคือบ้านปลายเพราะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์พวกทุกท่านอย่างหลวงพ่อเคยได้เห็นรังเขาพูดนะเขาบอกว่าอย่าขอรับชั่นเชิงวิชาการหลวงพ่อฟังฟังดูแล เ, เขาว่าอย่างไงมา ครูเนี่ยเป็นคอร์รัปชันเชิงวิชาการเขาพูดยังไงเขาพูดในนั้นเขาบอกว่าเด็กนักเรียนอยู่กับพวกเราอยู่กับครูบาอาจารย์ถึง8ชั่วโมงแล้วทำไมไม่สอนเขาให้เต็มที่แล้วทำไมจึงไปสอนพิเศษอีกอันนี้ฝรั่งเขาพูดนะไม่ใช่หลวงพ่ออินพูดทำไมครูบาอาจารย์จึงไปสอนพิเศษให้เขาอีกอันนี้แปลว่า คอร์รัปชันเชิงวิชาการไกลๆใช่ไหมอันนี้คือคำถามเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่เมื่อเขายกให้เป็นครูบาอาจารย์แล้วเมื่อเด็กนักเรียนเข้ามาให้เราสอนอพ่อแม่ของเขามอบความไว้วางใจปล่อยให้เด็กนักเรียนมาอยู่กับครูบาอาจารย์ทั้งวันตั้ง8ชั่วโมง เ, เพราะนั้น ครูบาอาจารย์จะมีหน้าที่สอนจะทํายังไงจะสอนเด็กลูกหลานของเราให้เต็มที่ให้มีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของพวกเราแต่หากว่าครูบาอาจารย์ไม่ใส่ใจครูบาอาจารย์ไม่สอนเต็มที่ปล่อยปะละเลยลูกหลานของพวกเราในหลวงพ่อว่าจะด้อยกว่าชาติอื่นๆนะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์นั่นแนะหะคล้ายๆกับว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์เมื่อทําขนาด 5% เนตะหลวงพ่ออยากจะเตือนให้บอาทำขึ้นไปอีกได้ไหมออแต่ว่าขีดความสามารถนัอซอย่างเนี้ยแต่เมื่อเราทำกี่เปอร์เซ็นต์ในขณะ น, นี้ก็ไม่มีใครได้จะรู้นะยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ที่สอนเด็กเพราะฉะนั้นการแนะนําสั่งสอนพวกเด็กท่านมีหน้าที่สอนวิชาแขนงไหนหลวงพ่ออยากจะขอ ให้ครูบาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านเลยนะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งครูบาอาจารย์อำเภอนายูงของเรานี่แหละอ่าอ่ออำเภอนายูงออำเภอน้ำโสมออำเภอบ้านผือของเรานี่แหละที่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่ใกล้หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็พยายามที่จะให้อาคารเรียนหรือว่าการส่งเสริมการศึกษาไม่เคยลดละ อย่างท่านสสก็เหมือนกันที่ท่านให้พูดก็มีไม่พูดก็มีที่พยายามให้การศึกษาแก่ลูกแก่หลานแก่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเองก็ไม่เคยที่จะมองข้ามในการศึกษาทําที่นู่นทําที่นี่ก็พยายามทําเข้าไปดูเรื่อยๆต่อไปก็คงจะช่วยเกื้อกูลหนุนกันหลวงพ่อยังคิดอยู่ในใจอยู่ว่า เออห้าวาว่าหลวงพ่อเป็นพระออที่มีอายุพรรษาแล้วว่าออมีจตุ ป, ปัจจัยเหมือนหลวงพ่อคูณวนะ่างั้นอะนะูง่ายๆเลยนะงั้นเ อ, เ อ, อมีกองมีเงินคือเหมือนหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคิดว่าจะตั้งกองทุนขึ้นในอำเภอนายูงเหมือนกันนะเออึงตั้งเป็นกองทุนกองหนึ่งขึ้นมาเพื่อการศึกษาถ้ า, าว่าลูกหลานผู้ใดมีความฉลาดสามารถหรือว่าเรียนดีนิสัยดีนะ เอาเรียนดีกับนิสัยดีถึงจะเรียนไม่ดีแต่นิสัยดีนะควรจะได้รับทุนก้อนนี้เพื่อการศึกษาส่งไปถึงถึงปริญญาเอกว่านั้นเถอะถ้าเป็นไปได้หลวงพ่อวันน่าจะมีกองทุนสักกองหนึ่งสำหรับส่งเสริมลูกหลานของพวกเราหนะลวงพ่อไม่ได้คิดสั้นๆนะหลวงพ่อคิดยาวทีเดียวเลยเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อกลุ่มของพวกเรา เ, เพราะนั้น สิ่งเหล่านี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่การคิดของหลวงพ่อนั้นไม่ได้คิดใกล้คิดไกลเพื่อจะส่งเสริมการศึกษาเพราะหลวงพ่อมองไม่เห็นทางอื่นที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหลุดหน้าไปได้นอกจากการศึกษาการศึกษามีระดับขั้นตอนเพราะฉะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจสอนนะทั้งอกตั้งใจสอนถ้าเมื่อสอนดีแล้วลูกหลานของเรา ติดอันดับติดอันดับเหตุคายๆว่าโรงเรียนยุงทองพิทยาคมก็ได้รับจากโรงเรียนสาขาต่างๆในเขตอํเาเภอนายูงตั้งแต่ปถมตั้งแต่อนุบาลอนุบาลก็พยายามสอนเต็มที่แนะนําสั่งสอนเด็กอนุบาลให้รู้จักความรับผิดชอบขึ้นมาตามลําดับจนถึงปถม ป, ถมปถมปีที่หนึ่งที่2ที่สที่4ที่5ที่6ก็พยายามตามขั้นตอนของ มีความสามารถของแต่ละครูบาอาจารย์สอนให้เต็มที่ให้เข้าใจจากนั้นส่งทอดขึ้นมากันม .1 ม .3 ม 4, มสมหมหอันนี้คือเป็นถ้าจะว่าไปแล้วครูบาอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหกเป็นลำดับขึ้นมาเหมือนขัดฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่อาศัยซึ่งกันและกันเป็นฟันเฟืองอหมุนหนุนกันขึ้นมาตามลาดับจนผลในสุดเป็นผลผลิตขึ้นมา ถ้าเป็นอาหารกระป๋องนะถ้าเป็นอาหารกระป๋องก็ตั้งแต่ริเริ่มผิดพันธุ์สมมุิว่าข้าวโพดอย่างนี้นะข้าวโพดอ่อนข้าวโพดกรนะป๋องอย่านี้เราก็ต้องดูตั้งแต่สวนข้าวโพดว่าทำยังไงแล้วมีด้วงมีตัวนอนมีอะไรลงสวนไหมข้าวโพดของเราสมบูรณ์ไหมไล่ขึ้นมาจากนั้นก็เป็นข้าวโพดมาส่งเข้าโรงงาน ส่งเข้ามาเรื่อยๆจนเป็นผลผิดเป็นกระป๋องออกมาแล้วก็ทุกระดับก่อนที่จะเป็นข้าวโพดอ่อนใส่อะไรเข้าไปบ้างในนั้นในเมื่อส่งออกไปแล้วใครเปิดกระป๋องข้าวโพดอ่อนบริษัทของเราไปทานติดอกติดใจแปลว่าข้าวโพดของเรานั้นติดตลาดเมื่อติดตลาดแล้วใครๆก็ต้องนิยมว่าเนี่ยข้าวโพดโรงงานเนี่ยเขาทําดีสะอาด อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้หลวงพ่ออยากจะให้เป็นอย่างนั้นอําเภอนายูงของพวกเราทั้งอําเภอที่ครูบาอาจารย์มานั่งอยู่ณที่นี่ได้พร้อมกันสอนลูกหลานให้รับผิดชอบจากนั้นเมื่อสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กลูกหลานของเราก็ไต่เต้าขึ้นมาถึงโรงเรียนยูงทองพิทยาคมโรงเรียนก็พ่อโรงเรียนเหล่านั้นสอนดีแล้วอ่านออกเขียนได้ทั้งหมด ไม่หนักใจของโรงเรียนพิทยาคมโรงเรียนพิทยาคมพยายามผลิตเอาวิชาที่ยังไม่หนาแน่นอย่างย่งฟิสิกส์ภาษาอังกฤษอย่างนี้คอมพิวเตอร์อย่างนี้เสริมเข้าไปอีกเมื่อจบม .6 แล้วทรัพยากรหรือว่าลูกหลานของเราเอำเภอนายูงไปสอบเข้าหมอได้ไปสอบวิศวะได้หรือไปสอบในสถานที่ต่างๆได้อันนี้แปลว่าผลผลิตออกมาดีเพราะฉะนั้นอยากจะให้ ครูบาอาจารย์ทุกๆท่านเหมือนกับฟันเฟืองอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้วแต่ถ้าหาว่ามาโยนให้อำเภอสุดท้ายปลายแดนเรีวยว่ายุงทองพิษนักเรียนบ้านนั่นมากระอานหนังสือไม่ออกก่อนที่จะมาแนะนําสั่งสอนให้อ่านหนังสือออกเสียเวล่ำเวลาในการที่จะส่งเสริมเด็กของเราพลเอกโซก็เลยเลื่อน ข, นขั้นขึ้นไปเรื่อยๆพอได้ออกโรงเรียนและทรับพยากรของอำเภอนายูงของเรา และจะเป็นทรัพยากรที่ดีได้อย่างไรเพราะเหตุว่าครูบาอาจารย์ขาดความรับผิดชอบเพราะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านนะอันนี้หลวงพ่อกล่าวในฐานะพระสงฆ์อยู่ในเขตอำเภอนาโยง เ, เพราะว่าหลวงพ่อนี่ถ้าจะว่าไปแล้วถึงจะลูกหลานจะยกไม่ยกให้เป็นพระผู้ใหญ่พระผู้เท่าก็จริงแต่ยศถาบรรดาศักดิ์หลวงพ่อก็เป็น เจ้าอาวาดเป็นขัวตาเฝ้าวัดแต่ว า, ายุพรรษานั้นนอกจากหลวงปู่แผงบ้านสว่างในการหลวงพ่อนี่แหละเป็นองค์รองที่มีอายุพัรษาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงขอกล่าวตักเตือนทาาว่าหลวงพ่อไม่กล่าวไม่พูดไม่ตักเตือนไม่กระต้นหรือไม่ให้ความคิดอะไรแก่ครูบาอาจารย์แล้วหลวงพ่อก็มองไม่เห็นเหมือนกันว่าว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนจะพูด เพราะนั้นหลวงพ่อพูดทางนี้ท้งนั้นถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังแล้ว อ, อ, อย่าไปกโกรธให้หลวงพ่อนะ อ, อ, อย่าไปหาว่าหลวงพ่อพูดรุนแรงหรือว่าพูดไม่ถูกนะก็นําไปคิดไปพิจารณาเพราะหลวงพ่อพูดให้คิดนะนำให้พวกเราได้คิดได้พิจารณาเพราะนั้นถ้าหากว่าพวกเราช่วยกันทําอย่างนั้นได้แล้ว อ, อ, อย่างฟันเฟืองได้แล้วนะ เด็กลูกหลานของพวกเราก็จะเมื่อจบม .6 ออกไปแล้วไปสอบในสถานที่ใดติดทั้งหมดนั่นแหละ อ, อำเภอนายูงของเราคว่าดังระเบิดเถิดเถิงขึ้นมาได้เนี่ยว่าสร้างเผื่อเกิดในดงว่างั้นแต่แต่ถ้าว่าพวกเราเจบออกไปแล้วสอบที่ไหนก็ไม่ติด อ, อำเภอของเรายิ่งด้อยโอกาสอยู่แล้วก็ยิ่งให้เขา ดูถูกอำเภอนายูงของเราเพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ที่มาวันครูในวันนี้ให้ตั้งอกตั้งใจสอนแล้วก็พร้อมกันก็ให้สอนศีลธรรมให้แก่ลูกหลานด้วยอย่างศีลห้าอย่างเนี้ยหลวงพ่อวันหน้าจะพูดตั้งแต่เด็กพอที่จะเข้าใจศีลห้าอย่าไปฆ่าสัตว์นะคาว่าฆ่าสัตว์คํานี้คือไม่ให้ฆ่าคนฆ่าสัตว์ที่เขาห่วงแหนก่อนนะ อันนี้ก็คือแนะนำสั่งสอนเขาทีละน้อยนะน้อยออคุณค่าของเราเสมอลเด็กนักเรียนมีพ่อมีแม่ถ้าเด็กนักเรียนไปฆ่าพ่อแม่เขาไปฆ่าพี่ฆ่าน้องเขา เ, เด็กนักเรียนจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อเขามาฆ่าพ่อแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องเราเด็กนักเรียนเสียใจไหมอันนี้ก็คือพยายามเอาตัวเขาน่นนะ เ, เป็นเครื่องประกันชี้ให้เขาเห็นอย่างชัดเจน ถ้าหาว่าเด Wenn, ็กนักเรียนไปขโมยของเขาถ้าเขามาขโมยของเด็กนักเรียนสมุดต exactly like. ินสอของเด็กนักเรียนนักเรียนจะเสียใจไหมอย่างนี้ก็พยายามแนะนำเมื่อเด็กใหญ่ขึ้นมาถึงมัธยมขึ้นมาแล้วเราก็พูดถึงตัวกาเมสุมิจชาจย์เน้นหนักจุดนี้เข้าไปอีกและก็เน้นหนักเรื่องมุสาเข้าไปอีกแล้วก็เน้นหนักเรื่องสุราเข้าไปอีกฝอะนั้นถ้าหาว่าครูบาอาจารย์ รู้แนวทางของศีลธรรมหลวงพ่อว่าความสงบผาสุกก็จะเกิดขึ้นและก็พร้อมกันหลวงพ่ออยากจะแนะอยากจะพูดกล่าวกับครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้สอนเด็กนักเรียนนะหลวงพ่อไปในสถานที่ต่างๆเห็นอย่างมีงานมีการอะไรเกิดขึ้นนะอย่างมีการใช้นงใช้นัองอะไรเกิดขึ้นในลานวัดหรือโรงเรียน พสงขยงถงขยะเนี่ยรู้สึกของมันเกลื่อนไปหมดเลยอันนี้หลวงพ่อว่านอยากจะให้ครูบาอาจารย์แนะนำลูกศิษย์ลูกหาเด็กนักเรียนให้รับผิดชอบจุดนี้อานหนึ่งเหมือนกันถ้าว่าเด็กอย่างหลวงพ่อเคยไปพบพระฝรัง อ, อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดท่านองค์นั้นท่านไปที่ไหนกน้นบุหรี่ในวัดท่านเก็บหมดเศษกระดาษเล็กๆกน้อยท่านเก็บหมดแล้วเก็บเพนไปถังถึงถังขยะ ท่านก็ไปโยนลงในถังขยะท่านบอกว่าสมัยผมเป็นเด็กไปโรงเรียนถ้ากินขนมอะไรก็ตามถ้ากินแล้วเศษกระดาษเหล่านั้นต้องใส่ในกระเป๋าพอไปถึงถังขยะแล้วก็ไปทิ้งลงถังขยะแต่ถ้าหากว่าเห็นหน้าที่ใดในโรงเรียนเด็กนักเรียนต้องเป็นหน้าที่ต้องเก็บขยะนั้นแล้วไปถึงถังขยะ แล้วก็ต้องไปโยนทิ้งในถังขยะนั้นอันนี้คือเขาสอนตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆเขารับผิดชอบของเขาเพราะนั้นอยากจะให้ครูบาอาจารย์แนะนำลูกศิษย์ลูกหาออถึงจะไม่ขนาดนั้นก็เถอะแต่ก็ให้รับผิดชอบออกลับพร้อมกันก็หลวงพ่อว่าเนี่ยอาจารย์อาจารย์ตัว น, นี้แหละคาว่าอาจารย์เนี่ยเป็นแบบฉบับ أ, เผอเผอครูอาจจะกินแล้วก็โยนทิ้งให้เขาเห็นก็ได้นะนทางนี้ทางนั้นก็ขอเตือนพวกครูเหมือนกันนะครูบาอาจารย์มาอาจารย์อาจารย์าารยนะเน่เป็นแบบอยา่างเมื่อครูบาอาจารย์ทำให้เด็กเขาดูนะ เ, เด็กของเขาก็คงจะเรียนจากครูบาอาจารย์เพราะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่มาฟังสัมมนานจิถาจากหลวงพ่อในวันนี้เพราะว่าเป็นวันครู และก็พร้อมกันหลวงพ่อจะจะกล่าวในทางหลักของพระพุทธศาสนาให้พวกเราได้ศึกษาไปด้วยคือหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วเกิดมาจากไหนเกิดมาแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายอันนี้คือเป็นวัฏฏวณของชีวิตมนุษย์เป็นวัฏฏวลของสัตว์ทุ ก, ท, กทุกประเภทเพราะนั้นการเกิดมาเกิดมาอย่างไร เกิดมาด้วยวิญญาณด้วยบุญด้วยกุศลนิ่พามาเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็แก่เจ็บตายเมื่อตายไปแล้วไปไหนตายไปแล้วไม่สูญอันนี้พูดได้อย่างนั้นในหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านสมัยนั้นเมื่อสองพันกว่าปีคนยุคสมัยนั้นเขาก็คงจะสงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายในยุคสมัยนี้แหละว่าตายแล้วมันไปไหนตายแล้วสูญพอพูดง่าย พอตายแล้วก็หายเงียบไปเลยแต่ตาไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านก็คงจะมีความคิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นท่านจึงได้เสียสละออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าไปศึกษาในเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยนะถึงหกปีในวันเดือนหกเพนท่านไปนั่งโพนาหรือว่าไปทำจิตของพระ อ, องคอ์นั่งคัดสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงํารงสติเฉพาะนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในวันนั้นนะแต่ก่อนหน้านี้ท่านก็ทำมาโดยสม่ำเสมอแต่ท่านก็ลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเหมือนกับลองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นะก่อนที่จะเป็นเครื่องบินให้พวกเราได้นั่งตกก็ไม่รู้กี่ครั้ง อ, อย่างวิทยุโทรทัศน์ก็เหมือนกัน ก่อนที่จะมาให้พวกเราได้ใช้เนี่เขาก็ลองผิดลองถูกจนพอแรงเหมือนกันเพราะนั้นทางด้านจิตใจพระพุทธเจ้าท่านก็ลองผิดลองถูกแต่ลองผิดลองถูกนั้นหลวงพ่อจะไม่ขอกล่าวเพราะอยู่ในพระไตรปิฎกละเอียดมากที่ท่านลองผิดลองถูกมีหลายๆายวิธีของท่านแต่ว่าหลวงพ่อจะพูดในเมื่อท่านสาเร็จแล้วคืนที่ท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงนั่นน่ะคืนนั้นแหละเป็นคืนที่สาคัญจุดนั้นเป็นจุดที่สาคัญ หลวงพ่อจะกล่าวจุดที่สําคัญจุดนั้นที่ท่านได้รู้ได้เห็นแล้วคือวิชาสําเร็จแล้วเป็นผลสําเร็จขึ้นมาแล้วด้วยเหตุอย่างไรอันนี้หลวงพ่อจะกล่าวเพียงจุดนั้นแต่ก่อนหน้านั้นไปหลวงพ่อจะไม่ขอพูดเพราะเป็นเรื่องยืดยาวมากเพราะฉนั้นในคืนนั้นเดือนหกเพนนะ์ตอนหัวค่ําพระอาทิตย์ยังไม่อัจ ด, ดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระพุทธเจ้านั่งสมาธินะ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพอจิตของพระ อ, องค์คือใจนะั่นแหะตัวผู้รู้ตัวนึกคิดนะ่ยแต่พวกเราท่านทั้งหลายว่าสมองนะในความนึกคิดตัวนี้คือว่าสมองแต่ตามไม่จริงในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านวาดใจไอ้ใจมาใช้สมองอีกทีหนึ่งสมองน่ยก็คือเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องใช้ของใจเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องใช้ของเราอย่างนั้นนะ เนื้อข้องคอมพิวเตอร์ถ้าว่าไม่เสียบไฟไม่กดสุกไม่กดสวิตชนะคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ทํางานแต่เมื่อทําเมื่อเราเปิดไฟกดสวิตช์เข้าไปแล้วกดคอมพิวเตอร์ก็ทํางานความจําหน่วยความจําที่เราได้เอาเข้าไว้มันก็ออกมาเป็นชักชาชาชา ก, ชกละเอียดละเอียดหลายขั้นตอนในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสมองของเรายิ่งสลับซับซ้อนกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อีก เพราะฉะนั้นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นั่นคือใครคือใจนะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านดู ร, รู้ตัดสรุรรมในวันนั้นท่านบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ามโนภุพังคมาธรรมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เน้นหนักเรื่องใจคือตัวผู้รู้ตัวเนี้ยเพราะตัวผู้รู้ตัวเนี้ยไม่คิดปุ่มฟงซ่าน ไม่ออกกระสับกระสายไปทางอื่นตะก่อนมันคิดไปทางอื่นไปทางเรื่องต่างๆเออจนนับครรนาหาประมาณไม่ได้แต่วันนั้นพระองค์ตะล่อมเข้ามาให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้คิดปุ่งฟุ้งไปทางอื่นจนจิตพระองค์เข้ามาอยู่กับลมหายใจเข้าออกจากนั้นจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วพบพระองค์น้อมจิตอันเป็นหนึ่งนั้นน่ะ ระลึกชาติผลหลังระลึกชาติผลหลังได้ปุเพนวาสานุสติญาระลึกชาติผลหลังแปลว่าพระพุทธองค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญถ้ามันจะสูญจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงตายแล้วเกิดอีกชาติหน้ามีชาติที่แล้วมีชาตินี้คือปัจจุบันมีอนาคตชาติถ้าตายจากชาตินี้ไปอีกชาติแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้เกิดนั้นมี มีอีกมีเชื้อที่จะต้องทําให้เกิดนะจากนั้นพระโตองค์ก็นั่งสมาธิไม่ลดละจนถึงเที่ยงคืนจุตูปะ ป, ะปะตาตญาณการจุติของสัตว์เกิดมาแล้วจะไปที่ไหนวิญญาณนี่จะมาเกิดมาไปที่ไหนพระโตองค์ก็รู้ในเที่ยงคืนออพอถึงสุดท้ายปัจฉิมยามจะว่าอาสาวัคยาญาณญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ตัดสัลุหมดกิเลสราคะโทสะโมหะ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วไม่เกิดอีกแล้วนะอันนี้ก็คือในวันเดือน6เพนพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปฌานญาณนะทัตจนะ3มอย่างปุเพในวาส า, านุสติญาณจุตูปะป ะ, ปะตญาณอาสาวกายญาณเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์ให้ศึกษานะที่หลวงพ่อพูดตรงนี้ท้งนั้นไม่ให้เชื่อทีเดียวแต่ให้ปฏิบัตินะให้ลงมือปฏิบัติให้นั่งสมาธิดู เมื่อนั่งสมาธิจิตเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นล่ะพวกเราจะรู้ได้ว่าร่างกายของเราเนี่เป็นอันหนึ่งจิตใจนั้นเป็นอันหนึ่งเป็นคนละอันกันไม่ใช่อันเดียวกันร่างกายนี้แตกตายสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจนั้นออกจากร่างนี้แล้วไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆแล้วการที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั้นไปได้เพราะอะไรเพราะบุญกุศล น, นะ บุญที่การกระทําถ้าหากว่าพวกเราทําดีบุญกุศลจะเกื้อกูลหนุนไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่ถ้าหากว่าพวกเราทํากรรมชั่วทํากรรมไม่ดีกรรมชั่วนั้นก็จะพักดันลงไปเกิดในที่ต่าที่ต่ําคื อ, อะระตกนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์ติธัชา น, นานาประเภทแต่ถ้าหากว่าพวกเราทําบุญทํากุศลสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลจะพาพวกเราไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาอินพรหมอพอตายแล้วไม่สุข ดังนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่มาที่ได้ยินหลวงพ่อพูดในวันนี้ก็นำไปคิดไปพิจารณาอันดับแรกหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับครูครูครูบาอาจารยเ์เป็นตัวอย่างของลูกศิษย์ลูกหาและก็หลวงพ่อเองก็ได้บอกกล่าวในเชิงขอร้องหรือแนะนำให้ครูบาอาจารย์ทำหน้าที่สอนลูกศิษย์ลูกหาให้เต็มความสามารถ เพรครูบาอาจารย์ทุกระดับตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมเหมือนกับฟันเฟืองเกี่ยวเนื่องถึงกันแต่หากว่าฟันเฟืองตัวไหนตัวหนึ่งมันหลุดลุย้ยหรือว่าไม่ทํางานก็ทําให้วงการนั้นร่อยหลอลงไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับครูบาอาจารย์จากนั้นก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องทางพระพุทธศ า, าสนา ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเหตุที่เกิดอีกเพราะอะไรให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปทดสอบไปทดลองดูแล้วถึง6ปีอยู่ในป่าศึกษาดูแลว้วว่าใจตรงนี้เกิดอีกปฏิสนธิแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายให้พยายามสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเมื่อมีบุญมีกุศลแล้วอยู่ที่ใดสถานที่ใดก็มีแต่ความสงบพร่อมเย็นเป็นสุข การพูดการแสดงธรรมของหลวงพ่อในวันนี้คิดว่าจะไม่พูดยาวถึงขนาดนี้นะอ ا, พอพูดไปแล้วก็ยาวอ ا, ขอจบกล่าวสัมมอนิยกถาในวันนี้แล้วก็พร้อมกัน ا, วันนี้เป็นวันครูขอให้ครูบาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านจงประสบแต่ความสุขความสบายใจโดยอํานาจคุณพระศีรัตนไตรยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์คุ้มครอง ครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านขอให้ประสบความออสำเร็จปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ ข, ขอให้สำเร็จสงความมุ่งมาตนปรารถนาทุกประ ก, การ